วันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2538เป็นการบรรยายพะสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปาทโดยอาจารย์สุเทโพโพธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพกรับพะสูตรเกี่ยวกับปฏิจจสมุปาทวันนี้จะขึ้นสูตรที่มีชื่อว่าพักคุณสูตรซึ่งเป็นสูตรลำดับที่สองของวันนี้ พระกุณสูตรนั้นเป็นชื่อสูตรที่ตั้งขึ้นด้วยอำนาจชื่อของท่านพระภรกุณเนื้อหาสาระของสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องของอาหารสี่ที่นับเนื่องโดยปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับสูตรก่อนเนื้อความในสูตรนี้ก็มีความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันที่เรียกว่าพระเชตวันอารามของท่านอนาถวิทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี แต่ผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นไฉไรกะวะริงการาหารหยาบหรือละเอียดปัตสาอาหารอาหารคือปัตส์มนโนสัญญเจตนาอาหารอาหารคือเจตนากรรม หรือคือกรรมนั่นเองวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณคือดวงจิตอาหารสี่เหล่านี้แลละย่อมเป็นไปเพื่อความดารงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์ข้อความนี้เป็นเนื้อความที่คล้ายกับสูตรที่แล้วผมจะไม่อธิบายซ้ำอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคอย่างนี้แล้วท่านพระโมริยะพักคุณะ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณนาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตั้งปัญหายัางไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่ากลืนกินถ้าเรากล่าวว่ากลืนกินควรตั้งปัญหาในข้อนั้นว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นอันนี้ก็เป็น เนื้อความในประสูตรที่น่าสังเกตน่าสนใจศึกษาสักนิดหนึ่ อ, อท่านพระภักคุณะเนื้อความในตัวสูตรจริงๆท่านเรียกว่าโมลิยะภักคุณะบางทีก็เรียกสัน้นๆว่าโมริยะภักคุคาว่าภัคุนะเป็นชื่อตัวโมลิยะนั้นแปลว่ามีโมรีมีเมาลี โมรีหรือเมาลีนั้นคือมวยผมชื่อของท่านที่กลายเป็นโมริยะพักคุณะไม่ได้หมายก็ว่าพระไม่โกนหัวก็เป็นพระที่โกนหัวเหมือนพระธรรมดาทั่วไปแต่พวกเพื่อนสัพพรมาจารีเรียกชื่อท่านอย่างนี้เพราะเหตุว่าในสมัยที่ยังไม่ได้บวชนั้น ท่านเป็นผู้มีโมลีใหญ่มีมวยผมใหญ่ใหญ่กว่าคนทั่วไปจนกลายเป็นลักษณะพิเศษของท่านเขาก็เลยเรียกกันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชว่าโมลียะพักคุนะหรือโมลียะพักคุคือนายพักคุผู้มีมวยผมใหญ่ ในนี้ไม่ได้แปลว่าใหญ่หรอกนะแต่ว่าหมายความว่าใหญ่ก็เรียกโมรีแต่หมายถึงใหญ่ผู้มีมวยผมใหญ่เมื่อมาบวชแล้วชื่อนั้นก็เลยติดปากมาจนกระทั่งเป็นพระเลยเรียกกันว่าโมริยะพัคุณะโมริยะพัคุณะทั้งที่ไม่มีมวยผมเหลืออยู่แล้วเอาความว่าพระภิกษุ พักคุณะผู้เคยมีมวยผมใหญ่นั่นแหละที่มีมวยผมใหญ่เนี่ยเขาถือว่าสวยน ะ, ะสวยพิเศษเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายจะไว้ผมยาวผู้หญิงก็ไว้ผมยาวยาวจนถึงถึงบันเอวถึงก้นหรือเลยไปกว่านั้นในเมืองไทยเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วแต่ในอินเดียเข้าใจว่าอาจจะยังมี แต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือในผู้หญิงบาม่ายังนิยมไว้ผมยาวยาวมากบางคนยาวถึงข้อพับถึงขาพับเลยอะ่ะแต่เวลาม้วนเป็นมวยผมก็อาจจะดูไม่ยาวแต่พอกเครียกมาแล้วยาวก็ือ ว, ว่าสวยและมีค่าความนิยมของอินเดียสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นผู้ชายเขาไว้ผมยาวแต่ผู้หญิงเนี่ยเขา จะปล่อยแต่ผู้ชายนะั้นจะจะกล้าวจะกล้าวเป็นมวยไว้ข้างบนใครมีผมยาวมากก็ถือว่ามีจุดเด่นจุดดีเมื่อ <c oughs> กล้าวเป็นมวยผม <c oughs> ก็จะเป็นผมใหญ่ <c oughs> เหมือนอย่างท่านองค์นี้ท่านโมริยะนั้นเดิมทีเป็นพรามและมีความเห็นผิดเห็นผิด ในฝ่ายของสัตสตาทิฏฐิกล่าวคือมีความรู้สึกว่ามีอัตตาอัตตาผู้เป็นเจ้าของอาหารสีเป็นผู้เสพอาหารสี<ม>คือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารสีอาหารสีเนี่ยธรรมดาอาหารมีไว้สาหรับบริโภคเมื่ออาหารมีไว้สาหรับบริโภคก็ต้องมีผู้บริโภค อาหารอย่างหนึ่งผู้บริโภคอาหารอย่างหนึ่งไอ้ของเรานะ่าพูดกันในหลักของบุคลาดีฐานก็เป็นคนอย่างสมมุติพูดกันอาหารก็เป็นอาหารอย่างที่เรากินก็เป็นคำคำแต่พระพุทธเจ้าโดยทรงแสดงอาหารโดยโวหารทางสภาวธรรมและพวกมิจฉาทิฏฐินั่นเขาก็ถือว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่โดยความเป็นปรมรัต เพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อก ร, รเนี่ยอย่างมโนสัญญะเจตนาหารว่าเป็นกรรมก็มีผู้ทากรรมคืออัตตาเป็นผู้ทากรรมอัตตาเป็นผู้เสวยผลกรรมบุคคลเมื่อทากรรมจึงชื่อว่ากินมโนสัญญะเจตนาหารบุคคลเมื่อรู้อารมณ์จึงชื่อว่ากินวิญญาณอาหารบุคคลหมายถึงสัตว์บุคคลที่เป็นอัตตานะตามความคิดของ พระโมริยะคุและเมื่อกินอาหารธรรมดาที่เป็นกะวะลิงกาลาหารเนี่ยก็มีผู้กินผู้กินนั้นก็คืออัตตาเป็นผู้เสวยเราจะเห็นว่าคนที่มีความเห็นดั้งเดิมเป็นอย่างไรเวลามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะพกเอาความคิดเห็นดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยมาใช้ มาทำความเข้าใจมาเป็นที่เกิดของมนสิการอย่างเป็นของตนของตนอย่างกรณีนี้ความเห็นผิดผมถามว่าความเห็นผิดเป็นที่ตั้งของโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการเป็นที่ตั้งของอโยนิโสมนสิการพระโมริยะพักคุมีความเห็นผิดเรื่องอัตตา มาแต่เดิมเมื่อมาฟังธรรมะความเห็นผิดนั้นก็ทําให้เกิดอโยนิโสมนสิการในธรรมคือที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมะผิดตีความธรรมะผิดถึงจะฟังกับพระพุทธเจ้าเองก็ยังตีความธรรมะผิดตีความเป็นเรื่องอัตตาตัวตนไปทั้งที่ธรรมะเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่เป็นอนตตา ก็ทานองเดียวกับคนที่ได้ยินเรื่องอนัตตาชาวชาวพุทธได้ยินเรื่องอนัตตาแต่ก็มาคิดว่าอนัตตานั้นบางอย่างอัตตามีอยู่อนัตตาน่ะเป็นส่วนมากเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาอยู่นะฮะอัตตานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าขันห้าเป็นเป็นอนัตตาแต่อัตตานั้นเป็นอัตตา อาจจะเรียงอันตานั้นด้วยว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลเป็นอะไรหลายอย่างสมัยก่อนก่อนก็มีการเข้าใจกันอย่างนี้เหมือนกันเราก็จะพบว่าท่านพระโมริยาเนี่ยฟังเรื่องอาหารสีแล้วก็คิดเป็นเรื่องในแง่ของบุคคลาดีฐานเหมือนอย่างเราได้ยินเรื่องอาหารแล้วก็ต้องนึกก็ต้องมีการกินถูกไห ต้องมีการกินและต้องมีการเติบโตแล้วก็อธิบายกันเป็นอาจจะนึกอธิบายแกตัวเองเป็นว่าอาหารที่จะทำให้เราเจริญเติบโตได้กินอาหารธรรมดาก็ได้หรือกินวิญญาณก็ได้หรือกินเวทนาก็ได้ก่ อ, อิิมเหมือนกันต่างกันแต่ว่าอิ่มใจกับอิ่มกายแล้วแต่จะคิดไปเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่อาหารสี่ของพระพุทธเจ้าที่พูดเนี่ย มันหมายถึงเหตุเป็นการพูดถึงเหตุปัจจัยอย่างย่อเหตุปัจจัใจอย่างสำคัญสี่ตัวที่มีผลต่อความเป็นไปของชีวิตอาหารที่เรากินก็มีผลต่อความเป็นไปของชีวิตอันนี้เป็นของที่เข้าใจอยู่แล้วอาหารภาษาทางธรรมะเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัใจอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาหารปัจปัยใจ ท่านมองเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึง่งเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุงห่มพูดเป็นภาษาธรรมะภาษาสภ า, าวะและวเรียกเหตุปัจจัยอย่างหนึงน่งหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นแม้นา ม, มาทำที่มองไม่เห็นก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึงน่งหนึ่งที่มีผลต่อชีวิตต่อความเป็นไปของชีวิตเช่นเวทนาความรู้สึกถ้าพระท่านโทษปัจจัย มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเวทนาและมีผลต่อชีวิตของเรากรรมที่บุคคลทําที่เรียกว่ามโนสัญญาเจตนาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อชีวิตอย่างหนึ่งวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในสรีละนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งต่อการดํารงชีวิตและความเป็นไปของชีวิตเพราะฉะนั้นอาหาร จึงหมายถึงเหตุปัจจัยเท่านั้นอาหารสีเนี่ยนะแต่ท่านโมกเียะพักคุเนี่ยนึกเป็นเรื่องโลกโวหารไปสมบุตว่าจะต้องกินต้องกลื่นต้องมีผู้กินผู้กลื่นเหมือนกับคำข้าวจึงได้ถามพระพุทธเจ้าว่าใครย่อมกลื่นกินวิญญาณอาหารใครที่ พระรูปนี้ถามท่านถามด้วยมีความหมายในใจอยู่แล้วว่ามีอัตตาอันนี้เขาเรียกว่าถามไม่ใช่ถามเพราะอยากเพราะไม่รู้นะถามเนี่ยมีหลายอย่างถามเพราะไม่รู้ก็มีแล้วก็ถามเพื่อเทียบเคียงความเห็นตัวเองมีความเห็นอยู่ว่าอัตตาเป็นผู้ทํากรรมอัตตาเป็นผู้กิน อัตตาเป็นผู้เสวยผู้ถูกต้องเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ก็เลยถามว่าใครเป็นผู้กินดูที่ว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่าอัตตาบุรุษบุคคลเหมือนอย่างที่ตัวเขาใจหรือเปล่าเมื่อพระพุทธเจ้าถูกถามอย่างนี้ท่านไม่ได้ห้ามว่าอย่าถาม เพราอะไรเนี่ยตกราท่านแก่ท่านรู้ว่าเขาจะต้องถามและการถามนี่แหละดีจะได้ตอบจะได้ชี้แจงแต่เนื่องจากว่าคำถามนั้นตั้งไม่ถูกคำถามที่ตั้งไม่ถูกเนี่ยต้องแก้ต้องแก้คำถามให้ถูกเสก่อนคำตอบจึงสมควรจะตอบได้ ฉันจึงตรัสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่ากลืนกินอันนี้แหละครับสําคัญเพราะว่าเมื่อพูดถึงอาหารเนี่ยเราก็ต้องนึกว่ากินกินใช่ไหมเป็นเรื่องตามภาษาโล ก, กโวหารเมื่อไม่ได้กล่าวว่ากลืนกินจะมาถามว่าใครกินได้อย่างไรฉันจึงตรัสต่อไปว่าถ้าเรากล่าวว่ากลืนกิน ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นว่าพระพุทธเจ้าข่าใครหนอย่อมกลืนกินแต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้นเอถ้าอย่างนั้นก็จะมีคําถามตีย่อยออกไปว่าใครหนอกลืนกินกลืนกินอย่างไรกลืนกินเมื่ อ, อไหร่กินแล้วต้องเสียมีไหมอะไรอย่างนี้นะบนเดียวจะไปกันใหญ่อย่างนั้นไปตามภาษาโลกโลกนะอะไรวิญญาณอะไรควรกลืนกินวิญญาณอะไรไม่ควรกิน ต้องปฏิสังขายโยมเหมือนเกับกวาลิงกาลาหานหรือเปล่าเลยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าทรงสแสดงปรมาถธรรมแล้วก็มาพลิกให้เป็นสมมติธรรมไปเสียจะกลายเป็นอย่างนั้นนะพระผู้มีภพสัต์ต่อไปว่าผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวิญญาณอาหารย่อมมี เพื่ออะไรหนออันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจายในปัญหานั้นว่าวิญญาณย่อมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีแล้วจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะจึง เ, เป็นปจัจจัยจึงมีเวทนะาแค่นี้ก่อนตรงนี้ท่านได้แก้ปัญหา แก้ปัญหาให้ถามว่าคือเวลาแก้แล้วก็ไม่ได้บอกให้ถามนะว่านี่ให้ถามอย่างนี้ถามใหม่ดิแล้วเราจะตอบใหม่ท่านแก้คําถามถามให้เองแล้วก็ตอบให้เองเลยตอบเองเลยคือให้ให้ถามว่าวิญญาณนาหาันย่อมมีเพื่ออะไรไม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมีเพื่ออะไร ภาษาไทยดังเดิมเพราะก็เพื่อเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่ในที่นี้หมายถึงเพื่อได้แก่ผลวิญญาณอาหารนำไปสู่ความบังเกิดผลอะไรขึ้นทำให้เกิดผลอะไรขึ้นนั่นเองฮะัําว่าเพื่อเนี่ยท่านท่านให้ถามอย่างนี้ว่าให้ถามว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารไม่ได้มีไว้สำหรับให้ใครกิน เอาความงี้แล้วกันเพราะถ้ากินวิญญาณอาหารวิญญาณก็เป็นผลใช่ไหมเอาอย่างงี้ดีกว่าผมถามว่าอาหารที่เรากินในสตำรับเป็นเหตุหรือเป็นผลนี่ผมหมายว่าเรากับอาหารนะเดี๋ยวจะไปคิดเลยว่าอาหารมันก็เป็นผลก็ได้เนี่ยผลจากพ่อครัวผลจากต้นหมากลากไม้จากธรรมชาติ อาหารกับเราเนี่ยอาหารเป็นเหตุหรืออาหารเป็นผลกับเราผู้กินเนี่ยเป็นเหตุเพราะเป็นเหตุนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นอาหารเราเป็นผู้กินอาหารแต่อาหารเป็นเหตุเราเป็นผลวิญญาณอาหารก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุมีใช่เป็นผล ท่านจึงให้กล่าวอย่างอย่างเป็นเหตุในทั้งสี่อาหารแะครับรวมมาถึงวิญญาณที่เป็นปัญหาแรกนี้ด้วยและท่านก็วิสัชนาว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อคือเป็นเหตุให้บังเกิดพบใหม่ต่อไปตรงนี้คืออะไรสำหรับ ในสูตรนี้นะ่ะตรงคตาท่านแก้เลยว่าวิญญาณเนี่ยบางสูตรหมายถึงจิตทุกประเภทจิตทุกขณะนะแต่วิญญาณในบางสูตรเช่นในสูตรนี้หมายเอาปฏิสนธิวิญญาณหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณเพราะปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงพบใหม่จึงมีข้อความในนี้อาจจะแปลแล้วมันเหมือนกับว่า วิญญาณในชาตินี้เป็นปัจจัยแก่พบในชาติหน้าซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นคำพูดกล่าวเป็นเหมือนเป็นอนาคตแต่มันหมายถึงอนาคตโดยลำดับของความสำคัญไม่ใช่โดยลำดับของการตรงนี้ต้องอธิบายให้ชัดนิดหนึ่งนะให้ท่านนึกถึงอย่างนี้ครับว่าวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงในชาตินี้ กับการเกิดขึ้นของภพนี้นะ่ะพร้อมกันใช่หรือไม่ใช่พร้อมกันปฏิสนธิอย่างลงเมื่อใดภพนี้หรือภพนั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองเอาความเอย่างละเอียดเลยก็คืออุปาทาขนาดจิตของปฏิสนธิอย่างลงเสี้ยววินาทีไหน ที่อวินาทีนั้นแหละเป็นภพนั้นแหละเพราะฉะนั้นภพกับปฏิสนธิวิญญาณนะ่ะปรากฏขึ้นพร้อมกันนี่โดยลําดับของการเกิดนะปรากฏขึ้นพร้อมกันโดยลําดับของการเกิดแต่โดยลําดับของความสําคัญเนี่ยท่านยกให้ปฏิสนธิวิญญาณเป็นพี่เป็นผู้มาก่อน โดยลำดับของความสำคัญคำว่ามาก่อนเนี่ยมันมีก่อนโดยการกับก่อนโดยความสำคัญข้อความตรงนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาก่อนโดยความสำคัญเป็นผู้นำพบมาความจริงก็มาพร้อมๆกันแหละเหมือนกับภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณนะเดินมากับพระ ผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าพระผู้เป็นภิกษุปัจฉารสมณะแปลว่าพระตามหลังถึงจะมายืนเหยียบเส้นเส้นเดียวกันก็ยังชื่อว่าเป็นปัจฉารสมณะผู้ที่เสด็จไปกับพระเจ้าแผ่นดินแม้ว่าจะออกหน้าก็เป็นผู้โดยเสด็จ แม้ว่าจะนั่งขับรถอยู่ข้างหน้าก็เป็นผู้โดยเสด็จเนี่ยโดยลำดับของความสำคัญนะท่านถือว่าพระราชาเป็นผู้มาก่อนเช่นเดียวกับในคาถาธรรมบทคาถาแรกมโนปุปพังข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเนี่ยนะถ้าให้พูดเฉพาะในส่วนที่อัตราถาธิบาย ท่านพี่ได้บอกว่าจิตนั้นมาก่อนทำอื่นแบบลำดับการแต่ท่านหมายถึงความสําคัญคือเมื่อจิตปรากฏขึ้นเนี่ยเจตสิกที่ก็ประกอบอยู่ในนั้นนั่นแหละแล้วก็ถือว่าจิตนั้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้มาก่อนของเจตสิกที่เกิดร่วมอยู่กับตัวเนี่ยมโนปุพังคือผู้มาก่อน ให้คําว่ามาก่อนเป็นตําร่วนของหัวหน้าก็ได้หัวหน้าไอหัวหน้านี่อาจจะเกิดที่หลังก็ได้ไม่แน่นะแล้วมาเป็นหัวหน้า่อาจจะเกิดปีเดียวกันก็ได้แล้วมาเป็นหัวหน้ามันไม่แน่แต่เขายกให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้มาก่อนโดยความสําคัญในะเวลาแสดงธรรม ที่กล่าวโดยลำดับเนี่ยท่านจะมีลำดับของการกับลำดับของความสําคัญเรามักจะเผลอเอาความสาคัญไปปนกับการแล้วก็อาจจะตีความบางที่ก็ตีความไม่ออกเลยบางที่ก็อาจจะตีความแล้วก็เพื่อนไปจากตรงนั้นตรงตรงความหมายที่แท้จริงที่หมายถึงในที่นั้นเหตุนั้น วิญญาณนาหารกับภพบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันวิญญาณอย่างลงเมื่อไหลได้ความมีความเป็นเมื่อ น, นั้นจะสมบูรณ์ทันทีเหมือนอย่างโอปะปะติกะกำเนิดสมบูรณ์หมดทุกอย่างทั้งอายตนะอะไรก็ได้ก็มีหรือค่อยๆเจริญเติบโตในภายหลังก็ได้อย่างพวกสังเจตจะชัน อ, อ, อันทชตากั บ, กบชาลาพุชชะอย่างเราเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปสำหรับสูตรนี้ตรัสหมายเอาพวกเกิดในคันค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แสดงอย่างโอปปปฏิกากรรเนิดเพราะว่าเวลาแสดงธรรมเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะพูดแบบ ถ้าพูดกับคนและแสดงธรรมถ้ามาเกี่ยวกับกำเนิดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของคับพเสยรยากาศคือเกิดในคันเพราะอะไรเพราะคนฟังเกิดในคันพูดแล้วมันเข้าบรรยากาศเข้าความรู้สึกพอเหมาะพอดีกันเวน้นแต่ว่าบางครั้งต้องการจะแสดงข้อเท็จจริงในมุมกว้างไม่ได้ผูกพันกับบุคคลผู้ฟังก็แสดงเลยไปถึงกำเนิดอื่นด้วย แต่ในสูตรนี้แสดงแก่พระมนุษย์ก็กล่าวด้วยอำนาจของคับปเสยยกะกำเนิดคือเกิดจากคันมีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นอาหารเป็นผู้นำพบมาถือว่าเป็นตัวการสำคัญมากอย่างอื่นจึงตามมาด้วยได้เพราะมีปฏิสนธิวิญญาณอยาก เมื่อวิญญาณอาหารเกิดมีแล้วสลายยตนะ <c oughs> จึงมีก็คือวิญญาณอาหารทำให้เกิดอายตนะคืออันนี้ถ้าว่าโดยลาดับเนี่ยคือวิญญาณทาให้เกิดเกิดพบคือนามรูปนามรูปมีแล้วก็ทำให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะ เกิดแล้วก็ทำให้เกิดเวทนาเอ่ผมไม่แน่ใจว่าข้อความในนี้จะหายหกตกหล่นหรือเปล่านะขอเอาไว้สอบดูอีกทีว่าคือในอัตถกาถาเนี่ยท่านท่านแกจากวิญญาณปฏิสนธิอย่างลงทำให้เกิดนามรูปคือพบใหม่พบใหม่ในอันหนึ่งอ่ะพบนอันหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดนามรูปไอ้นามรูป ก็ทำให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะทาให้เกิดเวทนานี้ก็พูดเข้าแนวของปฏิจจสมุปบาทโดยลำดับการขอให้พลิกไปดูอีกหน้าหนึ่งพอไปถึงอีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านพระโมริยะยังถามต่อไปอีกว่าใครหนอย่อมถูกต้องเพราะว่าเวทนาเป็นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาท่านโมริยะถามว่าใครเป็นผู้ถูกต้อง คำว่าถูกต้องตัวนี้หมายถึงถูกต้องเวทนาพระพุทธเจ้าก็แก้แก้คําถามใหม่เหมือนอย่างเดิมอะว่าตั้งปัญหาไม่ถูกที่ถูกแล้วควรจะถามว่าอะเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีผัจจัอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีปัจจัเพราะปัจจัเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือ สิ่งที่เรียกว่าถูกต้องเนี่ยในความหมาย ท, ทั่วไปถูกต้องด้วยทำสองอย่างคือถูกต้องปัจจัถูกกระทบแล้วก็ถูกต้องเวทนาถูกต้องสุกขเวทนาถูกต้องสุขเวทนาหรือพูดอย่างโวหารโลกโลกก็แยกไม่ชัดแต่ในหลักอธิบายทางปฏิจจานั้นแยกเป็นถูกต้องปัจจักับถูกต้องเวทนาทั้งสองอย่างนี้เป็นคนละตัวกัน แต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันว่าผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาก็เป็นการทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกระแสะเหตุปัจจัยเท่านั้นเป็นแต่ลักษณะของสภาวะธรรมเท่านั้นไม่มีอัตตาตัวตนเป็น เจ้าข้าวเจ้าของเป็นผู้เสวยแต่อย่างใดต่อไปถามว่าใครเป็นผู้เสวยพระพุทธเจ้าก็แก้ปัญหาแก้คำถามใหม่แล้วก็แสดงว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแสดงขืบไปถึงตัณหาพอไปถึงตัณหาก็ถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ทยานอยากพระพุทธเจ้าก็แก้คาถามว่าตั้งปัญหาไม่ถูกอีก อันนี้ท่านก็ว่าพระโมริยะเนี่ยพยายามที่จะกล่าวหรือสแสวงหาหรือถามหาอัดตาว่าอยู่ตรงจุดใดของสภาวะธรรมใดให้ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิเสธมาโดยลาดับจนกระทั่งถึงแม้กล่าวถึงตันหาก็ยังถามว่าตันหาคือความอยากนั้นใครเป็นผู้ทยานอยากพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธ แล้วก็ส่งแสดงในรูปของเหตุปัดใจต่อเนื่องว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัหาเป็นปัจจัยจึงมีอปาทานที่แปลว่าความยึดมั่นก็ถามว่าใครเป็นผู้ยึดมั่นพอ ม, มาถึงตรงนี้เราก็ชักเริ่มรู้สึกลำคาญพระองค์นี้จะแล้ว <laughs> ไม่เข้าใจกันสักทีไอ้เรื่องอย่างนี้เราก็เห็นใจนะเพราะว่า ไอคนที่ถืออัตตาเนี่ยจะต้องให้เหลืออัตตาจะไดแม้กระทั่งจะไปนิพพานแล้วก็ยังสวางวงาอัตตาในด้านของการเฟ้นหาอัตตาที่อยู่ในขันบางพวกก็ถือเอาเวทนาเป็นอัตตาไปเลยบางพวกก็ถือว่าเวทนาเป็นอื่นอัตตาเป็นอื่นแต่อัตตาเป็นผู้สวยเวทนาอย่างนี้ก็มี พระองค์นี้ท่านก็พยายามจะหาอัตตาให้เจอให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธอีกแล้วก็ทรงแสดงด้วยกระแสความต่อเนื่องของเกตปัจจัยเท่านั้นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งมวลย่อมมีด้วยประการชนี้ก็เป็นอันว่าบทเทศตรงนี้เนะี <c> ่ย <oughs> พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิเสธอัตตาตัวตนอย่างสิ้นเชิงแล้วก็บอกแก่พระโมริยะพักคุว่าเป็นกระแสแห่งความเกี่ยวกันต่อเนื่องกันของเหตุปัจจัยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นและทั้งหมดเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของดี พอความตอนท้ายก็เหมือนกับในพระสูตรทั่วไปที่ว่าในเรื่องของปฏิจจาเราไปดูบทสรุปที่ตรัส ด, ด้วยมัชิมะอนุโลมาวาละหมายถึงกล่าวตั้งแต่ตรงกลางไปตามลำดับเนี่ยว่าดูก่อนพระคุณนะก็เพราะบ่อเกิดแห่งภัตตะทั้งหกอันนี้เขาก็แปลบาลีมาเลยนะคือปัอตษาจตนะ ดับด้วยสํารอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเวทนาดับตัณหาดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกกระปริเทวาทุกตอมนัตอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล นี้ย่อมมีด้วยประการานี้เออเราจะเห็นว่าในนี้ท่านเริ่มจับความดับที่อัฏฐะนะฮะตรงนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งแต่เราพูดถึงความดับก่อนว่าไอ้คาว่าดับที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของปฏิจจานเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องอื่นๆนจะมีอยู่สองอย่างอย่างสูงสุดเลยนั้นหมายถึงดับเข้านิพพานนะฮะอันหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งหมายถึงดับโดยความเป็นกระแสแห่งพลังของการก่อสังสารวัตรผมยกตัวอย่างเช่นว่าภัรษะของเราเนี่ยมีอยู่ของพระอาหารหันต์ก็มีอยู่แต่ภัรษาของเราชื่อว่าไม่ดับของพระอาหารหันต์ชื่อว่าดับ ทั้งที่ท่านเกามีปัสสาปรากฏอยู่เหมือนกับล่าถามว่าดับตรงนี้มันไม่ใช่ดับโดยขณะนะนนดับมันมีเยอะด้วยกันไม่ต้องพูดถึงโดยขณะพระอาหารหันยังไม่ได้เข้านิพพานปัสสะยังเกิดเรายังไม่เข้านิพพานแน่ๆปัสสาะเรายังเกิดแต่ในส่วนของการดับในเชิงพลังของการก่อสังสารวัตเนี่ย ของพระอรหันต์กับชื่อว่าดับของเรากับชื่อว่าไม่ดับเพราะอะไรเพราะผัสสะของพระอาหารหันต์ไม่ได้เกิดจากกระแสและไม่ได้เกิดจูนในกระแสของการก่อกรรมกิเลสวิบากเหมือนอย่างของเราของเราจึงชื่อว่าไม่ดับของพระอาหารหันต์ชื่อว่าดับ นี่เป็นความหมายใหญ่แล้วค่อยพูดกันแบบอธิบายละเอียดกันไปตามจังหวะที่เหมาะสมอีกทีหนึง่งทีนี้ในปฏิจจกตรงนี้เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มแสดงจุดดับที่ผัสสะเพราะอะไรบางแห่งแสดงจุดดับที่อื่นแตกต่างกันเพราะอะไรตอบว่า การแสดงจุดดับในจุดต่างๆกันนั้นท่านแสดงโดยในยะของการปฏิบัติว่าบุคคล น, นั้นจะเริญนวิปัสนาด้วยการปฏิบัติตามในของอายตนะหอายตนะบัพก็กำหนดตากำหนดรูกกำหนดเสียงกำหนดหูหนะ จเจริญกรรมฐานอยู่ที่อายตนะเนี่ยจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จบรรลุความสำเร็จจากการจเจริญอายตนะบัพในธรรมานุปัสสนาก็เท่ากับว่าท่านดับพลังของสังสารวัฏได้ตรงนี้ต่อแต่นั้นผลอันใดที่จะพึงเกิด ตามธรรมดาของการก่อสังสา ร, รวัตรเช่นปัิสะที่จะพึงเกิดจากอยายตนะหกเนี่ยก็เป็นอันว่าดับไปด้วยเพราะดับเหตุแล้วเพราะฉะนั้นจุดปฏิบัติในปฏิจจานิบัตินี้หมายถึงปฏิบัติในระดับของอวิปัสนาเนี่ยนะฮะถ้าจะเรินเวทนานุปัสสนาก็มาดับที่เวทนา เป็นจุดดับของบุคคลผู้นั้นถ้าคนไหนจเจริญวิปัสสนาโดยในของปฏิจจทั้งหมดเวลาดับก็ชื่อว่าดับตามในของปฏิจจถ้าคนอื่นจเจริญวิปัสสนาโดยในอื่นๆที่มาอยู่ในจุดของปฏิจจส่วนใดองค์ใดก็ดับตรงจุดนั้นเวลาดับนะ เพราะฉะนั้นเวลาท่านกล่าวถึงคนที่จเจริญอายตน 6, ะหกเนี่ยเจริญเราก็มีความคิดอยู่แค่อายตน 6, ะหกเจริญตรงนั้นจนถึงจุดสําเร็จพอถึงจุดสําเร็จปั๊บเนี่ยผัสสะที่จะเกิดจากอายตนะใดที่ยังไม่ได้อบรมก็ยังเกิดอยู่บุคคลใดที่ ทำความสำเร็จให้เกิดจากอายตนะหกเมื่อใดผัสษาที่จะพึงเกิดจากอายตนะหกที่อบรมแล้วที่จเจริญแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปหมายความอย่างนั้นการแสดงปฏิ จ, จ์จึงมีลักษณะหลากหลายตามในของการปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งตรงนี้นะผงก็ยังไม่ได้สื่อค้นให้ชัดว่า พระโมริยาภคูเนี่ยตอนหลังท่านได้เป็นพระราหัคนควรจะต้องตามไปดูให้พบในที่ใดที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ผมยังไม่รู้ว่าเวลาท่านปฏิบัติเนี่ยท่านทำโดยในของอายตนะหกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลคนนี้นะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้เป็นการสอดคล้องกันหรือไม่ระหว่างหลักการกับตัวบุคคล ก็ไปนั่นว่ารู้เจ้าได้ทรงแสดงความดับไปจนถึงที่สุดแล้วพระสูตรนี้ก็จบละอัตถกถาที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าท่านพระโมริยะภักคุได้บรรลุเป็นพระหลานพระสูตรนี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือท่านโมริยะภัคูนั้นได้ถอนสัจสตาทิฏฐิได้เพราะการฟังสูตรนี้จบลงอีกสูตรหนึ่งคงจะเอาไว้คราวหน้าแล้มั้งครับชื่อปฐมสมณพรามสูตร แล้วก็มีสูตรที่สองอีกสูตรหนึ่งตามมาด้วยขอปัดไว้เป็นอธิบายคราวหน้าวันนี้ขอในตอนท้าย <c oughs> ขอให้พวกเราทั้งหลาย